ก็เป็นเห็นว่าเราได้ทำวัดสวดมนต์เป็นวันแรกของวันนี้นะเราก็ได้มาพบกันมาพบกันเป็นครั้งแรกแล้วก็จัดที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะเพราะฉะนั้นอะไรอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นก็มีความชุบระหุบ้างเป็นธรรมดาคิดว่าวันต่อไปก็ค่อยๆสงบระงับ มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อเรามาหยุดนะหยุดชีวิตหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดเร่าร้อนหยุดรีบเร่งและหยุดเดือดร้อนสักระยะหนึ่งหวังว่าคงไม่เปไ็นไรไม่เจ็บป่วยถ้าเราไม่ได้คิดก็หวังว่าคงจะไม่ถึงกับตายเอางั้นเลยเนาะ เพราะเราอยู่ในโลกของความคิดและอยู่ในโลกของความวุ่นวายวันวันหนึ่งเนี่ยถามว่าเราต้องการอะไรตอบยากเหมือนกันนะเราต้องการความสุขหรือความทุกข์เราต้องการความสุขแต่ทำไมทำตนเองให้เป็นทุกข์เราต้องการความเยือกเย็นแต่ทำไมทำตนให้เดือดร้อนเราต้องการความสบายแต่ทำไมทำตนให้เร่งรีบเราทำตรงกันข้ามกันหมด กับสิ่งที่เราต้องการเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องการความเจ็บป่วยแต่ทำไมเราต้องเจ็บป่วยนี่เขาเรียกว่ามันจะว่าเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการที่เรายังไม่รู้จักมันเท่านั้นเองนะยังไม่รู้จักมันเราไม่ต้องการระหว่างความมืดความสว่างเราต้องการอันไหนเราต้องการทั้งสองอย่างหรือต้องการอย่างใดอย่างหนึง่งระหว่างความมืดกับแสงสว่างตอบได้ไหม าการแสงสว่างแต่ทำไมต้องมีมืดมาให้เราด้วย <c oughs> นี่คือธรรมชาตินะคือธรรมชาติของภายนอกแต่ธรรมชาติของภายในถ้าหากโลกนี้มันไม่มีความมืดเลยมีแต่แสงสว่างทั้งวันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งวันทั้งไม่มีไม่มีกลางคืนเลยมีแต่กลางวันอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นดีไหมโยมเพราะอะไรเราต้องการแสงสว่างทไมแม่มสว่างทั้งตลอดเลยไม่ต้องมีมืด เห็นไหมแค่แค่นี้แล้วก็แล้าบากละแต่ความมืดเรามีไว้เพื่อเราจะได้พักผ่อนหลับนอนแสงสว่างมีไว้เพื่อให้เราได้เตรียมตัวทำการทำงานดำรงชีวิตอยู่ถ้าเรามีมืดอย่างเดียวไม่มีแสงสว่างเลยเราก็อยู่ไม่ได้เราจะมีแต่แสงสว่างไม่มีมืดเลยเราก็อยู่ไม่ได้หรืออยู่แบบลำบาก ถ้ามีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยจะดีไห ม, มนั่นเป็นคําตอบที่ถ้ามีแต่ความชุขอย่างเดียวไม่มีสุขเลยจะดีไหมก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดจะต้องมีทั้งมืดและทั้งสว่างเพื่อเราจะได้สมดุลใช่ไหมชีวิตที่ดีที่สุดก็มีทั้งความสุขและความทุกข์ พอจะประเมินได้ไหมว่าชีวิตจริงของเราระหว่างความสุขกับความทุกข์เรามีอันไหนมากกว่าฮะความทุกข์มากกว่านั่นก็แสดงว่าเราผิดเองใช่ไหมเพราะว่าธรรมชาติสอนให้เราว่าให้มีแสงสว่างสิบสองชั่วโมงใช่ไหมให้มีความมืดซะสิบสองชั่วโมงเราก็อยู่ได้สบายแต่ถ้าเราจะทุกข์สักหนึ่งชั่วโมงเราไม่ทุกข์ซะหนึ่งชั่วโมงพออยู่ได้ไหม อยู่ได้สบายดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงค้นพบกฎแห่งความสมดุลเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเราสุขเท่าไหร่ก็ให้ทุกเท่านั้นโอเคอยู่ได้สบายเรามีความมืดเท่าไหร่ก็ให้อยู่กับมีแสงสว่างเท่านั้นเป็นธรรมชาติเราคิดเท่าไหร่ก็ให้อยู่กับความไม่คิดเท่านั้นเป็นปกติจะเป็นความสมดุลเราทําได้ไหม นี่เราจึงมาภาวนาเพราะเรายัางทำไม่ได้แต่ถ้าเราทำได้แล้วนั้นเรียกว่าเราเข้าสู่หลักมัชิมาปฏิภาของพระพุทธเจ้านั่นคือว่าเราจะอยู่กับความคิดสักครึ่งหนึ่งอยู่ความไม่คิดสักครึ่งหนึ่งจะเกิดความพอดีเราทานข้าวหนึ่งจานมันออกมาครึ่งจานหรือหนึ่งจานเหมือนกันครึ่งจานแต่ไม่มีใครตวงดูเเนาะ หมายความทั้งเข้าทังน้ำแหละก็ออกมาเท่าๆกันนะแต่ว่ามันออกจะไม่เป็นเวลาฉันใดก็ดีแล้วเอาเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นเป็นความสมดุลถ้าเกิดว่าทานเยอะออกมานิดหน่อยเป็นไงสบายตัวไหมแต่ออกทานน้อยแต่ออกมาเยอะสบายตัวไหมก็ไม่สบายนี่คือหลดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละเว้นทางสุดตรงทั้งสองทางเสียคือมากเกินไปและน้อยเกินไปแต่ ให้ทำชีวิตนี้ให้ดูสมดุลคือมัชชิมาปฏิมปาปทาคือเท่าเทกันไม่ได้หมายความไม่ให้มีความลำบากหรือไม่ให้มีความสบายให้มีทั้งสองอย่างแต่ให้เท่าเ่ากันอันตตกเรื่องมาทานุโยค <c oughs> ถ้าเรามีความสบายกับความไม่สบายเท่าเทากันเรื่องมัชชิมาปฏิปทา ถ้าเรามีความสบายมากกว่าเราก็ยึดความสบายเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยกถ้าเรามีความไม่สบายมากกว่าเราไปยึดความไม่สบายก็เรียกว่าอัตตะกิลมาฐานุโยกเป็นความไม่สมดุลเราท่านบอกให้ละทั้งทั้งสองทางให้ใช้ทั้งสองอย่างเท่าเทกันให้ทายใช้ทั้งสองอย่างมากกว่าไม่ให้มีทั้งความลําบากและไม่ให้มีทั้งความสบายเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันมีทั้งสองอย่างเท่าเทกัน นะดังนั้นเรามาที่นี่มาเพื่อมาสร้างความสมดุลของสุขและทุกข์ถ้ามันสมดุลแล้วมีชื่อใหม่ว่าไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์ก็คือสุขและทุกข์มีส่วนเท่าเทกันนั่นเองนะไม่ให้สุขมากเกินไปและไม่ให้ทุกข์มากเกินไปเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์เออฟังยากไหม ฟังยากนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องฟังเรื่องนี้ตลอดทั้งจิตวันแล้วจะเข้าใจง่ายตั้งแต่วันนี้้เราขอพูดเรื่องเดียวเนี่ยทุกวันนะแต่พูดหลายๆเวอร์ชั่นไว้สำนวนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอต้อนรับคู่ตายว่าไงเจ้าภาพมากล่าวต้อนรับเพื่อนมิตรสหายหน่อยดิว่างานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมาแต่ว่าวันนี้เป็นการก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เนาะยังไม่เป็นการเปิดไปทางการ แต่มาต้อนรับเพื่อนจากทางไกลหลที่หลาแห่งก็อยากจะให้อ่าให้คุณตายได้ประลบเรื่องงานและให้ฟังหลวงพ่อเกิด น, นําไปก่อนเพื่อที่จะได้รู้จักกันว่าเรามาทําอะไรคูตายก็จะรายงานก็ให้ฟังเรามาทําที่นี่ได้อย่างไรทําไมต้องมาทําที่นี่ก็จะเล่าให้กันฟังแล้วทําที่นี่จะอยู่อย่างไรจะไปอย่างไรจะกินจะนอนที่ไหนอย่างไรคูตายก็คณะก็จะมาชี้แจงเราเพราะคตายเป็นตัวแทนเขาเชิญเลย